ผมเนี่ยเขียนหนังสือตอนนี้อยู่มานสี่เล่มที่จริงมีสองเล่มนี้เขียนเสร็จแล้วที่กําลังเขียนอยู่เนี่ยมีอีกสี่เล่มครับอันนี้คือหนึ่งในหนังสือสี่เล่มที่ผมเขียนคือกุญแจความเข้าใจในพระพคัมภีร์กุญแจไขสู่ความเข้าใจในพระคัมภีร์นะครับผมเขียนในแง่ของศาสนศาสต ร, ร์ก็คือถ้าท่านอ่าน ค, คําวุญแจเหล่านี้ยท่านก็จะเข้าใจหลักการในพระคัมภีร์หลายตอนเลยนะครับก็จะเขียนคีย์เวิร์ดพวนี้ คีย์เวิร์ดของผมที่ผมเขียนในหนังสือผมมีทั้งหมดสาบห้าคำเช่นนรกสวรรค์อันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดนรกสวรรค์บัปเิชมานะครับสบาโต้พวกเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดในการเข้าใจทั้งสิน้นนะครับยกตัวอย่างนะเช่นคำเนี้ยบริสุทธิ์นะก็เป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดนั้นแต่วันนี้นะครับผมจะเทศนาในคีย์เวิร์ดตัวที่สําคัญคือ ต, ตัวนี้ความรักมั่นคงของพระเจ้าขอพี่น้องเปิดสดุดีบทที่หนึ่ง้อยสาสหกน่อยได้ไหมครับ สดุดีบทที่136ในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลนะครับคีย์เวิร์ดตัวที่สำคัญตัวหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยต่อชนชาติอิสราเอลก็คือคำว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าถ้าพี่น้องดูสดุดีบทที่136ถามแบบผิวเผินเลยนะครับ คุณว่ามีความว่ามีคำว่าความรักมันคงกี่คำมีกี่ครั้งสรีร้อยสามกไม่ต้องนับหรอกครับดูมันทอ้ข้อสุดท้ายก็พอแล้วทุกข้อจะมีปรากฏคาว่าอะไรครับเพราะความรักมั่นคงของพระ อ, องค์ดำรงเป็นนิจพี่น้องดังนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดตัวเนี้ยสำคัญความรักมั่นคงของพระเจ้าชนชาติอิสราเอลตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันนี้ได้มาถึงปัจจุบันนี้และอนาคตได้ก็เพราะความรักมั่นคงของพระเจ้าคริสเตียนก็เหมือนกันตั้งแต่วันที่เชื่อจนถึงวันนี้และจนถึงพรดิสวรรค์คุณจะอยู่ได้ก็ต้องเพราะความรักมั่นคงของใครของพระเจ้าวันนี้ผมแบ่งปันคีย์เวิร์ดกุญแจคําคนี้ก็คือความรักมั่นคงของเจ้าเพื่อพี่น้องเข้าใจว่าความรักมั่นคงเนี่ยเป็นสิ่งที่ชีวิตคริสเตียนขาดไม่ได้เลยครับเอาละ สำหรับเราที่เป็นคนไทยเนี่ยเวลาพูดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าเนี่ยเราไม่ค่อยรู้เรื่องเราไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งเพราะว่าอาจจะเพราะว่าบริบททางปอดิศาสตร์ของเราเนี่ยไม่เหมือนชนชาติเลยครับอิสราเอลแต่แน่นอนพระเจ้าบันทึกเรื่องราวของอิสราเอลเนี่ยก็เพื่อจะหนุนจิตชูใจพวกเราด้วยเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงอย่างแยกไม่ออกเพราะอะไรเพราะอิสราเอลไปมีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ผู้เดียวก็เป็นพระเจ้าของเราด้วย อิสราเอลเป็นชนชาติของพระเจ้าเราก็ทําไมด้วยเป็นด้วยดังนั้นความรักมั่นคงเนี่ยที่ปรากฏขึ้นกับท่ามกลางอิสราเอลเนี่ยมันแยกไปออกสําหรับคนที่เชื่อพระเจ้าแท้จริงแต่ขอบคุณพระเจ้าครับเราสามารถเข้าใจความรักมั่นคงของพระเจ้าได้โดยผ่านทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตรตต์และประสบะการณ์ของชนชาตินะครับอิสราเอลเอาละดูนะครับ สำหรับคนอิสราเอลเนี่ยเวลาเขาพูดถึงความรักบัลคงของพระเจ้าเนี่ยคนอิสราเอลจะคิดถึงสามอย่างด้วยกันซึ่งสามอย่างเนี่ยผมหวังว่าจะเป็นสิ่งที่จารึกอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนเลยครับคนอิสราเอลเมื่อพูดถึงความรักบัลคงพระเจ้าเนี่ยคนอิสราเอลจะคิดถึงสามอย่างนี้นสามประเด็นนี้ในความพิจารณาของโยงครับขอพี่น้องช่วยอ่านได้ไหมครับหนึ่ง สำหรับชนชาติอิตาเลนะครับเมื่อพูดถึงความรักมั่นคงเนี่ยในความคิดของเขาเนี่ยจะมีสามอย่างอย่างแรกก็คือนี่ครับบางครั้งเมื่อข้าพระองค์ปกครองลม้มลงในความผิดบาปอ่อนกําลังลม้มลงวันนั้นขอความรักมั่นคงยังอยู่กับใครกับ ข, ข่าพระองค์ด้วยพี่น้องครับไม่ทราบว่าเมื่อสักครู่คุณร้องเพลงเห็นไหมความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยั่งหยุดใหม่ทุกเช้ามาจากบทเพลงอะไรครับ บทเพลงกัมภูนเยเลมีเขียนเองบทเพลงกัมภนบทที่สามข้อยี่สิบสองถึงข้อยี่สิบสามเมื่อกี้ผมนะครับลองทดสอบว่าพี่น้องร้องเพลงเนี้ร้องได้ท่าเทียงไงพี่น้องร้องได้ท่าเทียงไงครับความรักมันคงของพระเจ้าน่ารักร้องผิดเดี๋ยวคุณฟังเทศเสร็จคุณจะรู้เลยว่าเวลาเขาร้องเพลงความรักพระเจ้าไม่เคยยั่งหยุดเขาร้องได้ท่าเทียงไง เพราะมันเกี่ยวข้องกับประวัิอิสราเอลเกี่ยวกับความรักมันองพระเจ้าพี่น้องครับถ้าไม่ได้ความรักมันคงพระเจ้านะอิสราเอลพิฆนาดไปแล้วชนชาติอิสราเอลพระเจ้าเลือกเขาขนาะที่เขาตกเป็นทาสอยู่ที่ประเทศอียิปต์และประวัติอิสรเาเอลนะพี่น้องถ้าคุณรู้จักยอดรักสลักใจยอดรักสลักใจจะดังเพลงสามสิบยังเจ๋วแต่อิสราเอลไม่ใช่สาสิบยังเฉลียว อิตเลยเนี่ยสาสยังชั่วไม่ใช่สามสิบใครยังชั่วนะสามสิบยังชั่วนี่ถ้ามีโอกาสนี้น่าจะมาสัมมานาเรื่องสามสิบยังชั่วนะลูกเอาสักสามสิบชั่วโมงไปเลยจะได้หายชั่วคุณรู้ไหมเซลสามสิบ ย, ยังชั่วหมายถึงอะไรถ้าใครเข้าไปในเฟซบุกผมเนี่ยพวกลูกแฟนเฟซบุกไม่ยอมเข้าไปดู ผมเขียน30ยังชั่วไว้ใน Facebook แต่เขียนแค่โครงอิสราเอลสิชั่วแรก10บ่นอิสราเอลเนี่ยบ่นสบูรแบบมันบน่น10ครั้งเข้าใจหรือเปล่าครับอย่างที่2องอิสรเอลเนี่ย10เร็วคุณไปอ่านเยเรมีย์บทที่1นก้อ1ถึงก้อที่10บทที่1ถึงบทที่10 เย็นมีบทที่หนึ่งก็หนึ่งบทที่หนึ่งถึงบทที่สิบพูดเย็นสิบเร็วของอิสราเอลอยู่ที่นั่นนี่เล็วจริงจริจนบระเจ้าพูดว่าอะไรรู้ไหมอิสเอลเอ้ยไปดูซิไปดูซิมีประเทศไหนในโลกชาติไหนในโลกเปลี่ยนผ้าทางชาติไม่มีชาติไหนในโลกเขาเปลี่ยนผ้าทางชาติมีแต่ชนชาติอะไรดูเร็วไหมแล้วปู่เจ้าไปเถ้าอุ่นหวาน ท, าทําไมกลาไปเถ้าอุ่นเปรี้ยวไอเอ็กซ์แมน นุดกายพันเก็เรียกสิบเร็วต่อมาครับถ้าคุณอาระทำโภชยาทั้งเล่มเลยนะคุณยิงสิบสุดท้ายของเซลล์ที่นั่นสิบโง่ขอโทษกับภาษาเนี่ยเรียกว่าสิบงงาเรีย yeah. กเร็วเนี่ยทำผิดต่อพระเจ้าเยอะไปหมดโภชยามีต่อเนื่อเ ง, งามากเลยคุณเคยยิงธนูไหมครับท่านเคยยิงธนูไหมเคยยิงธนูหมเคยเห็นคนยิงธนูไหมเขเยียงเลย เขาอยอย่างนี้ใช่ไหมครับนิดิตรงนี้อย่างนี้เราลงยิงอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่คุณเห็นหชยา์แม่มันยิงยังไงยิงเข้าหน้าตัวเองอันนี้ไม่เรียกว่าโง่เรียกอะไรอะไอ้ยิงขนมไปดูหชยาได้ครับเนี่ยเทศนาพวกนี้มันศึกษาพระบีเรื่องนี้สนุกเนี่ยน้องครับอิสราเอลเนี่ยตั้งแต่พระเจ้าเลือกสรรออกมาจากอิบอิสราเอลเนี่ยทําผิดต่อพระเจ้าครั้งแล้วครั้ง แล้วผมว่าโมเสสเนี่ยหูเหล็กนะโมเสสเน่ยหูเหล็กผมก็ทับใจโมเสสมากแล้วผมก็อธิษฐานขอให้ผู้รับใช้ทุกที่ไม่ไม่ไม่ละเวน้นไม่ยกเวน้นแม้กระทั่งผู้รับใช้วัฒนาขอให้ท่านเป็นเหมือนโมเสสที่มีหูเหล็กโมเสส น, นะนําชนชาติอิสราเอลกี่ปีไม่สี่วันกี่ปีสี่สิบปีในชิตุรกนันดาร 40ปีนั้นอนะ่ะอิสราเอลทำเป็นเรื่องเดียวคืออะไรบ้นบ้นบ้นบ้นพี่น้องครับแล้วคุณดูเวลาพระโมเส็นำอิสราเอลออกมาจากถิ่นกันเอามาจากอียบมาถิ่นดุกนดานนะ40ปีอ่ะอิสราเอลมีกี่คนกี่คนกี่คนแสนที่ไหน จำนวนผู้ชายที่สามารถเป็นทหารได้สามแสนหกพันห้าร้อยคนถ้านับเมียทหารอะทหารเนี่ยสามแสหพันร้อยถ้านับเมียทหารอะหกแสนเจ็ดแสนถ้านับลูกทหารดิกระสมัยกว่าลูกเยอะด้วยนะเอาอาจจะสองล้านหรือล้านกว่าถ้านับพ่อแม่ทหาระ่ะถ้าถ้าพ่อแม่เมียทหารดิกระ นี่มันไม่ใช่สามแสนนะคุณมันมาเป็นอะไรครับชนชาติมาฮึมาเดินทางทุกดานแล้วป้าก็บันทึกว่ามันทำไมครับบ่นทุกวันขอโทษนะครับพี่น้องไม่ต้องเอาแค่สามแสนหรอกเอาแค่ห้องประชุมเนี่ยรองบวอาจารย์พงศอาจารย์สันติสองอาทิตย์ดูสิเทศลองลองดูสิันอยู่ได้ถึงสองเดือนหมมเสี่หูเหล็กไหมเด็ก เหล็กไม่เล็กบนบนบนบนนนบนบนบจนโมเสสว่าไงโงเจ้าข้าอาหารที่ข้าพงเดียดย่าห์พงเห็นหน้าชันว่สมเพศของข้าพงเลยโมเสสขอพระเจ้าฆ่าแกเลยะมันบ่นอ่ะเล็กแต่โมเสสลักอิสราเอลไหมรักไป่รักรัคุณรู้ไม่มีครั้งหนึ่งพระเจ้าแตบโมเสสว่าอะไรโมเสสมันบ่นมากใช่ไหมอิสราเอลแล้วจะทําลายไปให้สิ้น แล้วตั้งตระกูลเจ้าเป็นตระกูลใหญ่คือเพียงคเดียวโอ้โหนี่ถ้าผมเป็นโมเสสนะผมต้องพูดในใจเลยนะครับวันนี้ที่รอคอยรอคอยวันนี้มานานแล้วแต่โมเสสว่าอย่างไรพงเจ้าข้าอย่าทําเช่นนั้นเดี๋ยวประชาชนทั้งปวงจะย่อเย้ยพรงว่าพงนำเขาไม่สําเร็จแล้วข้าเขาตายที่ไหนทิ้งหัวกระดานจนพระเจ้าบอกอิสราเอลบอกว่าเห็นโมเสสไหม ผู้ที่เราเลือกให้นําเจ้าเขาลักเจ้าขนาดไหนเจ้ายิางจะบุญอีกอิเซลทําทบาปไหมครับบาปหลังดอกที่เข้าพระนดินขนาดนี้บาปไหมหนักเข้าไปอีกคุณไปดูผู้ที่ไฉบาปซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกจนถึงยุคดาวิดดูเหมือนจะดีขึ้นมาหน่อยที่ไหนได้เละต้องแปะอีกทำบาปอีกดาวิดฆ่าอิริยาเอาบาดเชบาทํำให้แผ่นดินต้อแยก ใต้เนือกี่เผ่า10เผ่าใต้กี่เผ่าเยอมากตอบถูกอันนี้คําถามนี่ยากเลยตอบถูกได้ไงเหนือได้10เผ่าใต้กี่เผ่า2เผ่าแล้วคุณดูประวัติศาสตร์อิสราเอลนะครับดูประวัติศาสตร์อิสราเอลกษัตริย์ฝ่ายเหนือของอิสราเอลสมาเลียเนี่ยเมืองหลวงเนี่ยไม่มีกษัตริย์ตรงไหนมีชิ้นดีสักคนมีแต่เลว เร็วมากเร็วที่สุดเร็ ว, รวสุดสุดไอ้ใต้เนี่ยังเร็วบ้างดีบ้างเร็วบ้างดีบ้างไอ้นี่เร็วทุกคนจนถึงปี722 BC 722รู้จัก BC ไหมครับ Before Christ ก่อนคิดแต่สกกลาดแล้วคิดแต่สักลาดภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคิดแต่สกกราด a <AD>. <AD 26. S 1> อดีปี death, นี้ AD ดีสองพนหบีซคือ e ีฟอ e c ใคร s อดีล่ะอัปเตเดตเนี่ยว่าแล้ว BC ซเนี่ยคือ e f ฟอ e c h คร s อดีไม่ใช่อั t e ตเด a t อดีแปลว่าอันโนโดมินีเป็นภาษากรีกแปล ว, ว่าปีแห่งองค์พระเจ้าของเราไม่อั r d ตเด h ปี7จ2สอสองอย่ามาเล่นเป็นพุ่งพวงหนูไม่รู้ ปีทสองซามเลียทำไมครับเลตุ่มเปะซีเลียอัสซีเลียยกกองทัพฟาดต้อนมันเฉลยตกเป็นเฉลยไอฝ่ายใต้ดีบ้างเลวบ้างดีบ้างเลวบ้างแต่พอถึงปีห้าแปถุพระเจ้าใช้บาริโดนตีสอนเละตุ่มเปะมนอิสราเอลทําบาปต่อพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าจะรวบรวมความบาปอิสราเอลนะ ผมอุตส่าห์แต่งเป็นบทกรสี่สุภาพให้คุณอ่านที่แต่งเองนะครับเวลาไปใช้ขอฤกษสิทธิ์ด้วยนี่คือบาปอิสราเอลเถ่งเหวี่ยงพระเจ้าเข้าฟอพระบาทดึงดันกับพำหยันฝึกสารพัดในความชั่วรู้ร่วไม่ยอมปิดดวจิตเตะละมกแก่สขบุก้อมเปียกไปเปียบเทียบบางคนไม่เชื่อเมื่องาน้พระเจ้าทุกวันตกเจ้าฝ่านได้ชีวิตจริงครับลายจนสุดท้ายจึงโศกานี่คือบาปของชนชาติอะไรครับอิสราเอลชั่วส ถึงชั่วถึงร้ายพระเจ้าก็ยังทำไมถ้าโดยความชัว่วอันเด็จนะมันน่าจะสุญพันไปนานแล้วใช่ไหมครับแต่ยังมีอยู่ต่อได้ก็เพราะความรักแหละผมบอกพี่น้องให้ทราบนะครับเวลานั้นเวลานั้นพระเจ้าเตือนอีเสียวหนักเตือนด้วยคำพูดที่แรงมากบางคนก็บอกอาจารย์ที่ก่อนทไมชอบเทศแรงเทศแรง ผมไม่รู้จะทําตัวไงถูกแล้วสุภาพก็ไม่กับใจแรงก็ไม่กับใจจะเอาไงดีล่ะคุณรู้ไหมพระเจ้าใช้นักเทศสุภาพมาทําการเสยียลมันก็ทําไมไม่กใจพระเจ้าใช้นักเทศแรงแบบอิสยาห์มาพูดมันก็ยังไม่กับใจคุณดูอิสยาห์ดีครับต่อว่าอเซี่ยลแรงขนาดไหนพระเจ้าให้มาพูดว่ า, วานี้อิสยาห์บันทึกนี้โครู้จักเจ้าของของมันและลารู้จักรางย่าของนายมัน แต่เอสเลวไม่รู้จักชนชาติของเราไม่เข้าใจนี่ถ้าคุณอ่านเสร็จนะคุณได้ข้อสรุปภาษาชาวบ้านมาประโยชน์หนึ่งแหละแย่ว yeah, กว่าสัตว์เดรชนใช่บอกครับใช่ไม่ใช่สัตว์ไม่ยังรู้จักบุญคุณใดมันแต่เอสเลว์ทำไมครับไม่รู้จักเลยโอ้สุดชั่วเลยครับคุณรู้ไหมเวลาพระเจ้า เลือกคนของพงเข้ามาเลือกอิสราเอลหรือเลือกเราก็แล้วแต่พองใจห้าต่อกับเราพองใจห้าต่อกับเราต่อแรกคือต่ออะไรครับคิดว่าต่อแรกคือต่ออะไรอ่ะไปต่ออะไรครับต่อเตือนเตือนนี่หมายถึงอะไรยังไม่ได้ทําผิดเตือนก่อนเหมือนกับพ่อแม่เตือนลูกอะ่ะลูกอันนี้อย่าไปนะลูกนะนี่อย่าทำนะลูกนะอันนี้ไม่ได้นะลูกอันนี้ก็ไม่ได้นะลูกเตือนนะลูก เตือนก็คือยังไม่ทำผิดพวกองค์ทำไมก่อนเตือนก่อนไอ a ว t นอยู่เตือนพอเตือนแล้วถ้าเกิดไปทำเกิดไปทำไม่ยอมเชื่อฟังไปทำพระองค์จะใช้ตอตัวที่สองตอติแ อ, อผิดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรลูกคนเราพลาดกันได้ ต, ต, ติอย่าทำอีกนะอย่าทำอีกเข้าใจหรือเปล่าครับพอตีเสร็จ ยังจะฟื้นอีกคุณก็จะเจอต่อเจดีสามไม่ใช่ต่อตบไม่ตืบต่ออะไรตีแล้วคุณรู้ไหมเวลาพระเจ้าตีชนชาติอิสราเอลนะมันเล่งถึงความรักของพระเจ้ามากตพอเตือนไม่ฟังติพอตนไม่ฟังตี ไอ้คาว่าตีตัวเนี้อ่ะมันเล่งถึงความรักของพระเจ้าความอดทนนานของพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลอดทนนานยังไงครับพระองค์จะตีเสซลนานเพราะพระองค์ไม่อยากให้เขาเจอต่อตัวที่สี่เพราะต่อตัวที่สี่ทำไมันน่ากลัวดังนั้นตีพงตีนานไม่นานนานรู้ไหมว่าตีนาน ขอพี่น้องเปิดประธรรมอิสยาบทที่หนึ่งข้อห้าถึงข้อที่หกขอพี่น้องเปิดอิสยาบทที่หนึ่งข้อห้าถึงข้อที่หกนะขอพี่น้องเปิดอิสยานะครับผมจะอ่านพี่น้องฟังพี่น้องดูตามนะครับอิสยาบทหนึ่งข้อหกพระเจ้าบันทึกอย่างนี้ครับยังจะให้เขียนเจ้าตรงไหนอีกยังจะให้เขียนเจ้าตรงไหนอีกที่เจ้ากบฏอยู่เรื่อยไป ศีรษะก็เจ็บหมดจิตใจก็อ่อนเปรียบไปสิ้นตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะไม่มีความปกติในนั้นเลยมีแต่ฟกช้ำและดําเขียวและเป็นแผลเลือดไหลไม่เห็นบีบออกหรือพันไว้หรือทําให้อ่อนลงด้วยน้ํามันคงตีนานไม่นานตีนานไม่นานครับนานรู้ไอ้เวลานะคุณดูสิครับยังใจเคียนเจ้าตรงไหนอีกขอโทษนะครับถ้าภาษาอีสานเนี่ยมันได้ใจผมมากกว่า ใส่ใสจะให้เขียนหมองไหนจะให้เขลียร์มองไหนมีเคียรที่ไหนเนีตั้งแต่หัวนี่หัวก็มอมนี่จนถึงฝ่าเลยครับมันมีแต่ลอยอะไรเขียนแผลเก่ายังไม่หายแผลใหม่ทําไมเอจนบอกว่าไงไหนแผลเก่าตรงไหนไมันหายละถ้าแผลเก่าตรงหายจะตีทําไมตีซ้ำลงไปอีกแต่ไม่มีที่ทําไมครับ ไม่มีที่จะลงไม่เลี้ยวแล้วตีนานไม่นานครับนานไม่นานอตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันมีที่ว่างอ่ะจะลงไม่ได้ไม่ได้ไมไดมีไม่มีครับไม่มีพระองค์เคียนเซียวนานจริงๆทําไมนานครับเพราะพระองค์รู้ดีว่าถ้าเจอต่อตัวทดีสี่ทาไมมันน่ากลัวตีตีตีไอเสียวเจอภัยวิบัติเลยตองตี มันก็ยังไม่กลับใจสุดท้ายพระเจ้าแสดงความรักอีกพรผมไม่อยากเขาเจอตอนที่สี่พระองค์ใชนักเทศน์นักเทศ์สุดยอดเลยนะครับคนเนี้ยเป็นนักเทศ์ที่รักอิสเร็วลมากท่านมีฉายาว่านักเทศ์เจ้าน้ำตาพี่น้องกลับใจนะครับเอาจะก่อาจางกับพระเจ้านักราบ นักเทเจ้าเสียใจนะครับกาเทศไปร้องให้นักเทศเจ้าอะไรกลับใจนะครับใครนักเทศเจ้าน้ําตาเยเรมีพระเจ้าตีเสร็จไม่อยากให้อิสราเอลเจอตองที่สี่พระองค์ส่งนักเทศเจ้าน้ําตาเยเรมีเทศกับชนชาติอิสราเอลกี่ปีครับกี่ปีครับส่งมาเทศกี่ปีโอ อะไรกี่ปีเยี่ย ม, มากย yeah, ีสิสามปีขอร้องให้เสียลูกับใจขอร้องให้เสียลูกับใจขอร้องให้เสียใจกี่ปีครับยี่สิบสามปีเยิราบีเที่ยงิบสาปีเสร็จอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวขอผมทําทําให้เห็นภาพเดี๋ยวคุณไม่หเห็นภาพยิราบีพอเที่ยงิบสามปีเสร็จ เยเรมีย์อักเกตไปได้วะสตำรวจพอเยเรมีแค่ยี่สิบสาปีเสร็จคุณรู้ไหมครับเยเรมีย์ทำไมท่านเดินไปหาพระเจ้าร้องไห้แล้วก็ไปงี้พอ่พอครับพ่อมีอะไรลูกพอ่พอโทษไป่เดี๋ยวดูนี่พ่อพ่อดูพอ่พอพอด องเลยถามเยอรมีไม่มีเงินหรอลูกไม่ได้หรอพ่อไม่ดรมีอกงอเลยถามอะไรอ่ะล да> ูกบ่นเราเที่ยงเราห่นแะ้วเที่ยงเราอะไรบ่นอะไรเราต้อง่อ่ะจ่ายอะไรเที่ยงเราคำเจสนอเที่ยงเรา สามีไม่กับใจยอ่ะไม่เจอแล้วโอ้โหอีกเลยเยเลมีเลยมาที่ลูกไปขอใจลูกต้องให้มันเจอตัวด้วยที่สี่แล้วลูกอันนี้ไปเทศอีกอกัร น, นึงไปเทศอีกกันหนึ่งแล้วกันจงเจ้าอีกเหรอสามีน่ะไม่เทศแล้วไม่ต้องเจอเทศแล้วแม่โอ้เทสไม่กำจ่ายเออไปเทศอีกกันหนึ่งเทสอะไรเรื่ไม่เป็นแล้วหมดเกลี้ยง ผม ว, ว่าไงไม่ต้องกลัวลูกเดี๋ยวคําเทศสุดท้ายพ่อให้เองไม่ต้องเตรียมเทศเดี๋ยวพ่อให้คําเทศพระเจ้าให้อิสราเอลให้กับเยเลมีประเทศการสุดท้ายกับคุณไปอ่านเองเยเลมีบทที่สามห้าจดเอาไว้พระเจ้าตัดกับเยเลมีอย่างนี้เยเลมีจงไปที่เยเซล็มไปหาชนชาติหนึ่งซึ่งมาลีภัยสงครามอยู่ในอิสราเอล ชนชาตินี้มีชื่อว่าตระกูลเรขาบรู้จักตระกูลเรลขาบนะตระกูลเรลขาบเนี่ยเป็นตระกูลยิบซีอพยบไปเรื่อยไม่เป็นหลักแหล่งที่ไหนมีสงครามเขาไม่สู้เขาหนีที่ใดมีคนมาป้นแย่งสมบัติเขาแย่งชิงไล่นาสวนเขาเขาทิ้งแล้วก็อพยบไปเรื่อยเขาไม่สู้เขาเป็นคนไม่สู้คนถ้ามันสู้คนไม่จะอยู่ถึงเดี๋ยวนี้เหรอก็ดูแล้วคล้ายๆผมเหมือนกัน ผมก็ไม่ใช่คนสู้คนเท่าไรถ้าคนสู้คนคงยืนไม่ได้ตรงเนี้ยก็ปลอดภัยไปก่อนนนี้นี้ น, นี้คือไม่สู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเป็นชนชาติผมเรียกยิปซีพระเจ้ารูป้ปะครับตอนนี้พระองค์บอกว่าเลขาบเนี่ยมาลี้ภัยสงครามอยู่ที่อิสราเอลคือพูดง่ายๆมาซบปีกของใครอยู่อิสราเอลอยู่พระเจ้าบอกเบลามีเลยไปนําหัวหน้าชนชาติ เลค้าบทั้งปุ่มเลยเล็กๆมาที่บริเวณคนต่างชาติในพระวิหารแล้วเจ้าจงเรียกชนชาติเิเซลมาเยเรมีก็ทําตามเลยเยเรมีเดินไปครับเอาตะกูลเลคขาบมาอย่างเยเรมีก็เรียกชนชาติเซลเลยชนชาติอิเซลจงเข้ามาโอ้ชนชาติเดียวมาดูครับเรื่องเรื่องเอาเลค้าบมาอยู่ตรงหน้าบริเวณงาคนต่างชาติเด็กเยเรมีก็บอกคนเซลที่มาฟังท่านนะท่านพูด ง, งี้ ชนชาติเซลจงฟังนี่คือตระกูลเลคับตระกูลนี่มาซบอกอิสเรลอยู่หลีภัยสงครามอยู่ที่นี่จงฟังดีๆแล้วเยรีมีก็เรียกหัวหน้าตระกูลเลคับมามานี่หัวหน้าตระกูลเลคับหัวหน้าตระกูลเลคับอิทธิเดมีครับสวัสดีครับท่านมีเอ็งหัวหน้าใช่ไหมใช่คืออย่างเงี้ไอหัวหน้าตระกูลเลคับเอ็งเคยรู้จักสุภาษิตไทยไหม ข้อไหนพรงค์จะฆ่าเอ้ข้อไหนเยเลมีข้อไหนเข้าเมืองตาเหลีวต้องเหลีวตาดำอ๋อพอได้ยินบ้างพอได้ยินบ้างตนชาติเล้ครับฟังดีๆคนเยเลมีเอ้ยคนไม่เห็คนเยเลมีคนอิสราเอลทุกคนเนี่ยดื่มเหล้าอะไรดื่มเหล้าอะไรครับดื่มเล้าเนเพราะฉะนั้นบัตรนี้เมื่อเจ้ามาซบอิสรเอลพวกเจ้าต้องทําะไรดื่มเหล้าเงินด้วยเอ้ยลูกน้องยกเล่าไปเยเลมาีให้ลูกน้องยกเล่ามา ซอยดื่มว่าน้าตระกูลเลขา บ, บ้างไหมครับพี่เยเลมีครับท่านเยเลมีครับพวกเราเดื่มไม่ได้ครับดื่มบ่ได้เลยเดื่มไม่ได้เลยฉัาไม่ดื่มไม่ได้คืออย่างนี้ครับพ่อของพ่อเราคือปู่เราอ่ะชื่อเลขาบท่านเนี่ยก่อนตายท่านสังเสียพ่อของเรา ท่านคือปู่ผมเอ้ยคือปู่ผมคือพ่อของพ่อผมคือปู่ผมท่านได้สั่งเสียพ่อผมอะก่อนปู่ตายท่านได้สั่งเสียพ่อผมแล้วพ่อผมก็สั่งเสียมาถึงผมงงไหมงงโอเคคือปู่ใกล้ตายเนี่ยปู่สั่งเสียอย ง, งี้ลูกหลานเลยข้าเอ้ยพวกเจ้าเนะี่ยอย่าไปต่อสู้กับคนนะปลูกบ้านเรือนปลูกผักถ้ามีคนมาแย่งจริงมาเอาเปรียบเจ้าหนีนะลูกเพื่อรักษาพงพันธุ์ของใคร พงพันของเล ข, ขาบไว้เราตระกูลเล็กลูกอย่าไปสู้คนลูกต้องรักษาตระกูลเราไว้นะลูกแนมะ่พ่อจะไปแล้วแต่ปู่ก็ตายพอปู่ตายพุทพ่อผมก็เขยา่าปู่แกเลยตื่นขึ้นมาแล้วพูทอ่อลืมไปอีกเรื่องหนึง่งยังตายไม่ได้และที่สําคัญนะลูกอย่าเอาเหล้าองุ่นเข้าปากลูกอย่าดื่มเหล้าองุ่นเด็ดขาดลูกไม่ดีลูกจะดื่มเหล้าองุ่นนะไปาย แล้วปู่ก็ตายท่านเยเรมีครับดื่มไม่ได้จริงๆเพราะพ่อของพ่อก่อนตายสั่งไว้ว่าอย่าอะไรอย่าดื่มเยเรมีถามเลยเฮ้ยแล้วพ่อของพ่อองตายหยังพ่อของพ่อก็ตายแล้วพ่อก็ตายแล้วตอนนี้ถึงผมแล้วเอ้าในเมื่อพ่อของพ่อแล้ะพ่อตายแล้วไปดักสารทำไมก็ดื่มสิไม่ได้ถึงพ่อตายแล้วก็ดื่มไม่ได้ต้องเชื่อฟังต้องเชื่อฟัง ไม่ว่าเยเรมีจะบังคับยังไงแต่เลคภาบดื่มไม่ดื่มดื่มไม่ดื่มแล้วเยเรมีก็พูดกับอิสเรีว่าไงชนชาติอิสราเอลจงฟังดีๆต่กูลเลคภาบพ่อของพวกเขาพ่อของพวกเขาตายไปแล้วแต่คําพูดของพ่ อ, อพวกท่านคนเขายังเชื่อฟังจนอย่นี้พระเจ้าจึงสัญญากับทูลท่านเลคภาบว่าเจ้าจะไม่ขาดพงพันธุ์ต่อหน้าเราเป็นนิต แล้วยังมีเขพูดอิสเรีว่าอะไรแต่ชนชาิอิสเรีวฟังดีๆพ่อของเขาตายแล้วคำที่พ่อเขาพูดเขายัางเชื่อฟังแต่พ่อของท่านบนสวรรค์พูดแล้วพูดแล้วไม่ยอมเชื่อฟังบัดนี้เจอตอตัวที่สี่เทิดตออะไรครับขัวเลย บาบิโลนยกกองทัพเผาเซิเรลลาบเป็นหน้ากองวาดต้อนไ ป, ไปเป็นเจริญเจ็ดสิบปีสงสารนะคนซิเรลลบางคนถูกกวาดต้อนไปอายุแปดสิบห้าสิบหกสิบบางคนสิบสองขวบบางคนเจ็ดแปดขวบตอนกวาดต้อนไปไม่มีสิทธิ์กลับมาแล้วไอ้หกสิบตายอยู่ที่บาบิโลนนั่นแหละไอ้คนที่กลับมานะก็คือคนพอจะเห็นภาพได้ลางๆ ประมาณแปดขวบเจ็ดแขวบสิบขวบเนี่ยอยู่เจ็สปีกลับมาก็แปดสิบแล้วอยู่ที่นั่นเจแปดสิปีพระเจ้าทำไมครับใช้ตอด้วยสี่คือตัดพี่น้องแล้วพระเจ้าก็ให้เซลเลือกต่อตัวที่ห้าต่อตัวที่ห้าเนี่ยแล้วแต่คุณจะเลือกระหว่างต่อตั้งต้นกับตอ่ออะไรต่อตายอิสเรลเลือกอะไรครับ เยเรมี er ie, ขณะเห็นอิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเชเลยท่านเขียนบทเพลงค้ำควรและพระเจ้าก็ให้เยเรมีรู้ล่วงหน้าว่าอิสราเอลจะแลบการตั้งต้นใหม่เยเรมี er จึงเขียนบทเพลงที่ยิ่งใหญ่ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยังหยุดเวลาอิสราเอลร้องเพลงนี้นะ เขาไม่ได้ลองเหมือนเราเมื่อสักครู่ความลากเป็นเครื่องคุว่าเขาลองได้ท่าเทียงไงรอควาลมลาภนเค่องขันมไม่เชื่อไม่ทุกเช้าจะดงฉันแท้จริงแล้วไม่มีหน้าจะเป็นจนชาติขเขาอีกต่อไปแล้วไม่สมควรได้ชื่อเป็นจนชาติวงแล้ว ทำบาปกพผูกครั้งแล้วครั้งเล่าครแล้วครั้งเล่าลยังมีหน้ามารักใครอยู่ยังสนนน้ามาโบสถดีกว่แต่ที่ยังอยู่ได้ก็เพราะอะไรความรักมั่นคงเอา ไ, มไว้แล้วดำรงเป็นเมื่อใครโกรตรงนี้น้ําตาไหลจริงๆทําไม่ได้พระเจ้านะผมไม่มีหน้าเทเสหรอกครับเชื่อผมดิ แต่เชื่อพระเจ้าสามสิบปีไม่รู้ทำไปกี่ครั้งแล้วคำพงเสียใจกี่ครั้งแล้วเรื่องจริงครับผมไม่ได้แตกต่างกับท่านหรอกท่านก็คล้ายๆผมนั่นแหละไม่แน่อัดหนักกว่าผมนิดนึงถ้าไม่ได้ความรักมันคงพระเจ้าหายไปนานแล้วมันมเสนอหน้าเทศเอยู่เลยนเสนอหน้าสอนพระคัมภีร์ยังเสนอหน้าร้องเพลงหรือเปล่าพี่ยังจะอยู่ได้ก็เพราะอะไรครับ ความรักมั่นคงของพระเจ้ายังมีต่อชีวิตดังนั้นชนชาติอิตาเลียเนี่ยเวลาพูดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าเขาจะคิดถึงเรื่องอย่างนี้เลยพระเจ้าข้าวันนี้ข้าพระองอยู่จุดนี้วันหนึ่งข้าพรงคจะเข้าแผ่นดินของพระองค์จุดนี้จนถึงแผ่นดินของพระองค์ข้าพรองไม่รู้ว่ายังเหลืออีกนานเท่าไหร่ ขณะที่ข้าโบงเดินทางไปถึงแผ่นดินของโบงนั้นไม่รู้ว่าจะต้องทําผิดต่อพวกอีกครั้งเท่าไหร่บกพ้องเท่าไหร่ทําบาปเท่าไหร่แต่พวกเจ้าข้าเมื่อข้าพบงบกพ้องทําความผิดบาปขอความรักมั่นคงของขโบงยังอยู่กับข้าโบงด้วยเถอะอย่าตัดความรักมั่นคงเป็นดิดออกจากชุดข้าพบงเลยให้ข้าพบงมีความรักมั่นคงของโบงในการพยุงข้าพบงให้ลุกขึ้นเพื่อเดินไปถึงแผ่นดินพระสัญญานรับพี่น้องครับวันนี้ท่านนั่งอยู่คิดจักวัฒนา อีกนานท่านกว่าจะไปอยู่สวรรค์เราไม่ทราบว่าอีกนานเท่าไหร่ใช่ไม่ใช่คุณกล้าการันตีไหมว่าท่านจะไม่ทําบาปอีกเลยตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปไม่ในอดีตเราก็บกพรอมาเยอะอนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะทําผิดอีกเมื่อไหร่เราอ่อนกําลังอีกเมื่อไหร่แต่ทุกครั้งที่อ่อนกําลังขออะไรครับความรักมันคงของพระเจ้ายังอยู่กับเราพยุงเราขึ้นเอเมนพี่น้องครับนี่คืออย่างแรกในความคิดของ อิสราความรักมันคงเมื่อข้าพง์บกพร่องผิดพังขอความรักมันคงบงคําจุนครับบงให้ลุกขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งอย่าตัดข้าวงจากความรักมันของบงนี่คือความคิดของอิสราเอลขอความรักมันคงนี้อยู่ในชุดเบลทุกคนดูนี้ชุดเบลทุกคนไม่มีอะไรทําให้เราถูกตัดขาดจากความรักของกายครับพระคิจนอกจากเราตัดเองทุกครั้งที่ถูกตีสอนลุกขึ้นมาตั้งต้นใหม่ พระเจ้าไม่เคยตัดความรักมันคนออกจากเราถ้าเราเลือกที่จะตั้งตนใหม่เอเมนอย่างที่สองครับขอี่น้องช่วยอ่านครับในความพิเของชนชาติสหรัฐเนี่ยความรักมันคงอย่างใส่สองคืออะไรไม่ว่าข่าพระองค์จะเจออะไรเงินรสสมอะไรเหตุการณ์อะไรก็แต่อนาคตข้างหน้า จะดีจะไล่หรือมีปัญหามาสมงหนักหนาขนาดไหนขณะที่พระเจ้าเจอสิ่งที่เกินกําลังเจอสิ่งที่เป็นปัญหาชีวิตเวลานั้นขอความรักมั่นคงของพระองค์อยู่กับข้าพองค์ขอพี่น้องดูพระธรรมสองพงศ a านบทที่20กสบข้ยบเอ็ 20. ผมให้พี่น้องดูนะครับพี่น้องดูผมจะอ่านพี่น้องฟังสองพงศ a า a n บทที่ยี่สบข้่สิบ็และเมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับประชาชนแล้ว พระ อ, องค์ได้ทรงแต่งตั้งบรรดาพุทธิร้องเพลงถวายพระเจ้าและแต่งกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์สันเสริญพระองค์ขณะเมื่อเขาเดินออกไปหน้าศัตรูและว่าจงถวายโมทนาแด่พระเจ้าเพราะความรักมันคงคงดำรนงอยู่เป็นเป็นบทเพลงที่สั้นมากเมื่อศัตรูที่เกินกําลังที่เซลจะต่อสู้ได้กําลังยกกองทัพดาหน้ามาถล่มใครครับชนชาติสเสเลวพระเจ้าใช้ผู้เผยชนะบอกกษัตริย์บอกว่าจงตั้งคณะนักร้องตั้งคณะนักร้อง ไม่ต้องร้องเพลงอะไรมากร้องเพลงว่าอะไรครับจงถวายพระนะพรคุณแด่พระเจ้าเพราะความรักบันคงโคงนําำรุอยูุ่เป็นไรครับไม่รู้จะร้งองท่าไหนนะเพลงเนี้ยเฮ้ยผมจะไปผมจะหัดแต่งจะต้องแต่งเพลงนี้ให้ได้จโมทนาพระคุณพระเจ้าผมว่าศัตรูนี่งงเลยนะก็เลยยกทัพมาอะไรไอ้พวกนี้มาถึงเพราะความรักบันคงพระเจ้าร้องไปนเนี่ยผมไปอ่านดูแล้วครับทําให้กองทัพศัตรูทําไมครับสลาย ข้ากัดเองตายอคนณยูจึงเข้าใจว่าความรักมันคงพระเจ้าคืออะไรเมื่อเจอมรสุมปัญหาที่เกินกำลังของเราที่เราจะควบคุมได้มันเกินหนักหนาเกินพลังของเราเวลานั้นขอความรักมันคงพระเจ้าที่จะทำไมครับทำให้เราชนะมันก้าวผ่านไปได้เอเ ม, มนคุณคิดว่าในชีวิตของคุณจะไม่มีสิ่งที่คุณสามารถ คุณคิดว่าในชีวิตของเราทุกคนมีบางอย่างที่มันเกินกำลังที่เราจะเผชิญได้จริงไหมจริงพูดตามผมหน่อยถ้าทุกอย่างเราทําได้ด้วยตัวเองเอาพระเจ้ามาทาไมเข้าใจหรือเปล่าครับมันมีบางอย่างที่เกินเลยครับเกินกำลังผมเล่าาบยานชีวิตไม่ค่อยได้เล่าแต่ต้องเล่าวันที่เจ็ดธันวาคมปีหนึ่งันเก้าร้ยเก้าสบ็ด ผมขายหารอยู่ที่โคราชลูกจ้างน้าชายผมมาบอกว่านิกรอย่าตกใจนะแม่โดนรถเฉีย ว, ยวทําแผลอ ย, ยู่โรงพยาบาลผมไปเที่วโรงพยาบาลบอกภรรยาบอกว่าดูแลลานเดี๋ยวผมไปดูแม่หน่อยไปเดินยังไงให้รถเฉี่ยวพอไปถึงไม่ใช่รถเฉี่ยวรถทับออดอสไซเหล็กทับตรงศีรษะเลย ผมเข้าไปดูร้องให้เลยครับเขาไม่ให้ผมเข้าไปหมอกาลังปั๊มหัวใจอยู่เลือดออกทั้งหูงี้ผมพุกเขาทีิทฐานองค์เจ้าข้าช่วยขับลมด้วยช่วยขับลมด้วยแม่ขับลมยังไม่เชื่อช่วยด้วยพยายามทุกวิธีทางให้แม่ฟื้นหมอบอกห้าสิบห้าสิบสุดท้ายสองทุ่มหมอบอกว่าทาใจนะเฮีย บอกว่าพมจะฆาช่วยกับผมด้วยแม่ผมยังไม่เชื่อตอนห้าทุ่มหมอออกมาบอกเฮ้ย hey, ตอนนี้แม่คุณม่านตารับแสงนิด น, นึงต้องส่งกรุงเทพไหมผมเมาพ่อเมาร ถ, ร ถ, ร, ถรถจากโคราชไปที่สมิทิเวบไปเลยแพงเท่าไหร่ก็ไว้ก่อนไปเลยส่งเข้าไอซผมมาคนเดียวพ่อเนี่ยคอพับไปนาแล้วอ่อนแล้ว ผมนั่งอยู่ส ม, มิตรเวสใส่เสื้อกระทิงแดงยังจำได้ผมเก่งยินตรงเท้าหายไปไหนข้าหนึ่งไม่รู้ผมนั่งอยู่ที่ร็อบบี้ส ม, มิตรเวสแม่อยู่ห้องไอซีช่วงนั้นวันที่แปดธันวาคมส ม, มิตรเวสมีต้นคิสมารตเปิดบรรยากาศคิสมาตเปิดเพลงบรรเลงคิสมาตผมนั่งร็อบบี้น้ำตาไหล แล้วผมบอกว่าพงศเจ้าข้าผมไม่เข้าใจแต่ผมรู้ว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้ครอบครองพงเป็นผลดีขอกําลังครับพงให้ผ่านได้ด้วยแต่วเขาก็เปิดเพลงกิซมาดเล็กๆผมพูดประโยคหนึ่งจําได้เลยขอบคุณพระเจ้าที่ให้ของขวัญที่ดีที่สุดของผมในวันกิซมาดนี้ดีที่สุดในชีวิตผมแม่ผมอยู่สวิตเวอร์สี่สิกว่าวันฟื้นมาผมประกาศกับแม่ผมแล้วท่านก็รับเชื่อแล้วก็เสีย ชีวิตคนเรานะมันไม่ใช่เจอแต่สิ่งที่เราสามารถคอนโทรลได้หรอกบางอย่างมันคอนโทรลไม่ได้เวลาเมื่อคุณเจอปัญหาอุบัติศัพทสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สติปัญญากําลังเลียงแรงมนุษย์สิ่งที่คุณต้องการคืออะไรความรักมันคงของพระเจ้าให้ผ่านได้โลกใบนี้นะมันมีคำมัมืดแปดด้านแต่คิดเสร็จมีด้านที่ไหนนี่ชนชาเซล ความรักมันคงในความคิดเชื่อย่างที่สองก็คืออะไรเมื่อเจอปัญหาประสัก ข, ขอความรักมันคงของพระองค์ยังอยู่กับข้าพรงในการบันเทิงเห็นไหมพี่น้องครับเมื่อสักครู่ผู้นําประชุมพาร้องไปนี้เราจะดีต่อฉันเห็นไหมได้ร้องไหมไม่ร้องภาพเบื้องหลังเป็นภาพของอะไรทรายเห็นไหมเมื่อกี้ใช่ไหมครับมีรอยเท้าบนหาดทรายใช่ไหม น, นั่นแหละไม่ได้นัดหมายกันเลยนะ ผมก็เตรียมมาะแ่บอกมีเรื่องหนึง่งตอนที่ผมเชื่อไปดูยใหม่ผมอ่านเสร็จประทับใจมากจำไว้ตลอดสามสิบปีเป็นคำพยานของคริสเตียนนักธุรกิจคนหนึ่งของประเทศจีนท่านเป็นคนที่รักพระเจ้ามากมากและท่านเขียนกคำพยานว่าท่านชอบภาพเนี้ยฟุตปริน ท, ท่านชอบมากฟุตปรินภาพเนี้ย ท่านนะซื้อแผ่นใหญ่มาไว้ที่หัวนอนท่านแล้วตอนเช้าตื่นมาตอนเช้าทุกวันเนี่ยท่านจะกุกข่วอธิษฐานแล้วก็จินตนาการไม่ใช่มโนโนะพี่ไม่ใช่มโนจินตนาการว่าท่านกับพระเจ้าเอสกิดเดินกันอยู่คนที่ไหนชายหาดแล้วมีรอยเท้าทาไมสองข้างเดินกันโอ้ท่านมีความสุขมากจินการว่ามีรอยเท้าสองข้างเดิด้วยกันท่านเดินกับพระเจ้าทุกวันอย่างี้วันหนึ่ง ท่านบอกว่าเจอมรสุมปัญหาร้ายแรงจนไม่สามารถที่จะแก้ไขด้วยปัญญาตัวเองได้ท่านคุกเข่าตอนเช้าเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตอีกวันนึงพยายามจินตนาการวภาพของอะไรสองเ้าคู่เกิดเ้วยกันแต่ท่านบอกวันนั้นหัวมันตึ๊บไปหมดจินตนาการยังไงนะก็ได้แค่ข้างเดียวมีคู่เดียวเดินแล้วท่านก็อธิษฐานว่ า, จาเจ้าไงพระโยคะข้าพองค์ทราบดีว่า ตอนที่ข้าพง์มีความสุขยังไม่มีปัญหาพระองค์เดินคูบข้าพงษ์แต่เมื่อพระองค์มีเมื่อข้าพง์มีความทุกข์พระองค์ทําไมอุ้มข้าพงษเดินลอยเท้านี่ปือลอยเท้าของใครของพระองค์ใช่ไหมแต่พระเจ้าค่านี่มันเรื่องเล่าหน่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องจริงพระเจ้าค่ะพูไปหน่ออ่ะนี่มันเรื่องเล่าก็แต่ง เพขาพงศ์ีปัญหาพออุ้มข้าพงศจริงเหรออุ้มข้าพงศจริงเหรอแกเสียใจมากแกรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้อุ้มแกอังคารพุธทธรหัสสุขแกสับสนมากแต่แกก็ยังรักพระเจ้าวันอาทิตย์แกก็ไปที่ไหนโบสถ์เพรแกไปโบสถ์นะอาจารย์ก็ไม่รู้จากปัญหาแกหรอกอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้พุทธเทศหัวข้อนี้แล้วก็ให้ที่ประชุมอ่านาพระวิปี แค่เปิดอา่านพระคัมภีร์แก่นไหลพวกเจ้าข่าก็รู้แล้วพระองค์อุ้มข้าพระองค์คุณอยากรู้ไม่ข้อไหนวันนี้นักเทศเทศอยืกรู้ไม่ข้อไหนแค่เริ่มอยากเป็นนิ่งก็สามเบ็ดและในถิ่นทุรกันดาลซึ่งในที่นั่นพวกท่านได้เห็นพระเยโฮ ว, วาห์พระเจ้าของท่านทรงอุ้มชูพวกท่านดังพ่ออุ้มลูกของตนตลอดทางที่ท่านไป น, นั้นจนท่านทั้งหลายมาถึงล่ะที่นี่ แล้วอจากก็เทศนาเลยหลายคนบ่นว่าพระเจ้าเวลามีปัญหาพระเจ้าไปไหนพระเจ้าไปไหนแท้จริงแล้วนะที่เขามาถึงจุดนี้ได้พระเจ้านำมาตลอดแล้วเขาไม่เคยเลยเขามองแต่อะไรปัญหามากกว่าล่ะเขาบอกปัญหามากกว่าละผูกก้ยิ่งใหญ่กับปัญหานั้นคือพระเจ้าโอ้ท่านร้องไห้า่า ท่านรู้แล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรเขามีความรักของใครความรักมั่นคงของพระเจ้าพี่น้องเวลาท่านเจอปัญหาชีวิตบลสมอะไรนะครับขอท่านที่จะระลึกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้ายัางทาไมอยู่กับเรานำให้เราไปผ่าเชิญปัญหาได้นะครับ ไไเขปี่ยวนะครับขอผมที่ทำนี่ดีดหน่อยเคเห็นไหมครับเป็นยังงบ้างไหมเคยเห็นไม ห, หนมครับ <newly> ไม่เคยเห็นนะครับชื่ออะไรครับน้องเมย์เคยมีปัญหาชีวิตไหมครับเิ็ตามพระเจ้าเนี่ยเคยมีปัญหามลสมบ้างัติมีบ้างไหมครับมีไหมครับบางทีก็เกินกําลังเราใช่ไหมครับใช่นะครับ เี๋อาจารย์จะให้นี้เป็นของขันนะครับอาจารย์ไม่มีมาฝากก็อันนี้ไปฝากแล้วกันนะครับขออันนี้ไปฝากคุณนะครับอ้าวงงงงเขาจมากงงนี่น้องเวลาเจอปัญหาอุปสรรคเป็นไงครับอย่ายงิเบิกไมเบิ้ง เบ้งคุณมองตางของเบืงเลยมองเห็นความนักมันของพระเจ้าฮะยิ้มไหมยิ้มี่นองเจอปัญหามาสุมวุปสระอย่าลืมว่าความรักมันคงพระเจ้าทำไมครับมีกับเราพูดตามผมหน่อยพระเยซูกิตนำคนของพระองค์พระองค์ไม่เคยนำไปตายแต่ส่วนมาก เพราะเราขาดความเชื่อเราจึงคิดว่าพงนํำเราไปตายมีคอหนึ่งพี่เอซูเนี่ยบอกสาวกว่าให้เราลง เ, ลเรงเือข้ามไปที่ไหนให้เราลงเรือข้ามไปที่ไหนอีกฝากหนึ่งใช่ไม่ใช่พอเรือไปถึงกลางทะเลอะไรเกิดขึ้นหมอรุ่งสุมปัญหาสาวกแกด้วยตัวเองไหมแกไม่แกแ ก, แกเขาพยายามทำไมครับพริ่ม แต่พอมันเกินเลยกำลังเขาจังเข้าไปปลุกใครครับออปลุกว่าไงพระอาจารย์เจ้าข้าไม่ห่วงเหรอจะจมแล้วปลุกนี้เปล่าปลุกนี้เฮ้ยฟูพระอาจารย์นนะครับจะจมแล้วไม่ห่วงหรอกหลับยัได้ บีบันทึกชัดเจนเอซูลุกขึ้นมาไหว้สาวกครับขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษแทนสาวกทั้งหลายขอโทษทำให้ท่านกระวนก็วายไหมอย่าอยช่วยดับพายุนะอพายุเงียบที่บันทึกนี้บอกไม่ใช่นี่นิกกรบันทึกพระบีบันทึกว่าอะไรครับเมื่อพระองค์ตื่นขึ้นมาพระองค์ชี้ไปที่ลมพายุนั้นแล้วสั่งมันว่าอะไร เงียบเงียบมันทําไมครับพรมพายุทําไมครับแล้วพงหันไปพูดกับสาวกว่าอะไรทำไมเจ้ากลัวความเชื่อเจ้าไปไหนเราไม่ได้ลงเรือแล้วบอกว่าให้เราไปตายกลางทะเลเราบอกว่าให้เราฆ่าไปฟากข้างนู้นเจ้าไม่เชื่อคําของเราพี่น้อง ติดตามพระเจ้าบางทีเจอมรสุมปัญหาชีวิตขอคุณยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้ขอเพียงคุณอยู่ในทางของพระเจ้าไม่หันไปทางซ้ายมือหรือขวามือคุณไม่ต้องกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นทดสอบความเชื่อได้แน่นอนเดี๋ยวคุณเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจะมีหน้าที่หวางใจไม่มีหน้าที่กวนกระวายใจเข้าใจหรือเปล่ากวนกระวายใจไม่ต้องมีมีหน้าที่อย่างเดียวคือหวางใจพระเยซูกำนนำไปถึงแน่นอน น้องในความคิดสเปนเดีเมื่อเจอปัญหามลสมขอความรักมันคงยังอยู่กับใครครับกับเราอย่างที่สามสุดท้ายขอไม่น้องชื่ออ่านครับในความคิดของคนอิสเรลนะครับไม่เพียงแต่ความรักคุก็คือไม่ว่าข้าพงศปกพ้องขอความมันอยู่ด้วยไม่ว่าข้าพงเจอมลสมปัญหาขอความนักมันคยูด้วยอย่างที่สามขอให้ชีวิตของข้าพงตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เป็นชีวิตที่สำแดงความรักมั่นคงของพระ้าขอพี่น้องช่วยอ่านสดุดีบทที่9 10-14 หน่อยครับอันนี้น่ารักจริงๆโมเสสเขียนเนี่ยโมเสสเขียนัยนบพี่น่ารักมากอันนี้น่ารักจริงๆครับขอให้พรบองค์ทั้งหลายทำไมครับอิ่มในเวลาเช้าในความรักมันคงพระองค์อันนี้นหละคือความคิดอย่างที่สองใเซเ พงเจ้าข้าวันนี้ข้าพงนั่งอยู่ที่นี่ก่อนไปถึงมันสวรรค์เนี่ยไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ขอให้ชีวิตต่อไปนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่แสดงความรักมั่นคงของพระเจ้าให้ปรกากฏออกมาดิมด้วยความรักมั่นคงหมายถึงอะไรขออภัยพี่น้องสุภาพสตรีด้วยท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าผู้ชายเข้าใจดีเด็กผู้ชายนะแทบจะทุกคนไม่ต้องสั่งไม่ต้องสอน เวลาเขา่านเข้าวอิ่มๆเด็กผู้ชายอ่ะไม่รู played, ้ทุกตัวต้องเหมือนกันหมดผมผมจะไม่ทําให้ดูนะครับมันอาจจะน่าเกียดบางอย่างผมเลยไม่ทําเด็กผู้ชายเนี่ยจะทําลักษณะนี้ครับอิ่มอิ่มได้เห็นไหมเด็กผู้หญิไม่มีเด็กผู้หญิไม่มีอิ่มอิ่มไม่มีส่วนมากเด็กผู้ชายเวลามันอิ่มมทำไม มันจะโชว์โชว์ว่ามันทำไมพงพงเวทมันตอ ม, มันตอมันอิ่มมันดึงแนวความร่ก้ะอะกองอิตเร็วอ่ะพงเจ้าค่ะต่อไปนี้ชิดข้าพองขอให้ไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้ให้คนเห็นความรักมันคงของพงเพรา ก, กดอยู่ในอะไรชื่อทางข้าพูดง่าย คนเซลหมายถึงว่าเขาไปที่ไหนนะคนต่างชาติจะยกยอพระเจ้าจะถวายเกิติพระเจ้ า, จจาแล้วบอกว่า น, นี่หละไอคนคนนี้นะมันมาถึงตงุติได้เพราะมันมีพระเจ้ามันมีความรักของใครของพระเจ้าทุกครั้งที่พี่น้องเป็นคนที่มีอย่างที่สามในชีวิตความรัก ข, ของเรื่องนี้นะคนไม่เชื่อเวลาดูพี่น้องนะเขาจะพูดว่าอะไรครับโอ้ยนี่เนี่ยถ้ามันไม่มีพระเจ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกโอ้ยนี่เพราะพระเจ้าเนี่ยเี่ข้าใจความหมายไปครับพระเจ้ารับเกียรติชื่นคุณ แต่ถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยนี่หรือคนมีพระเจ้าแต่อ้น่ากลัวแล้วนะครับนี่หรือคนมีพระเจ้านี่น่ากลัวแล้วนะครับเขาจะรู้ป่ะครั บ, บ, รบแสดงว่านี่ไม่ใช่มีความรักมั่นคงนะครับนี่ความบาปถาวรคุณรู้จักคุณหมอเฮนรี่ไหมครับคุณรู้จักคุณหมอเฮนรี่ไหมครับตอนที่ผมเป็นอาจารย์โรงเ ร, รียนพากฤษทำยี่สิบเอ็ดปีที่แล้วพอไปได้เป็นโรงอ า, อาจารย์โรงเ ร, รียนภาษาอังกได้ปีหนึ่ง ผมขออนุญาตทางสถาบันว่าผมจะพานักศึกษาออกทีมประกาศไปที่เชียงรายศูนย์ติทาสติศูนย์ตัจจสติแล้วก็ไปที่เชียงใหม่ผมก็ติดต่อศูนย์ตัจจสติศูนย์เบอรกระลุนพานักศึกษาผมไปประกาศที่นั่นไปหลายที่เลยครับแล้วก็ไปจบลงที่เชียงใหม่ก็ติดต่อคุณหมอให้รีว่าอยากจะไปประกาศที่ที่ะจักด์ของท่านที่เชียงใหม่นะครับคุณหมอก็ใจดีให้พวกเรานักศึกษากับผมเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านท่านนะครับ แล้วท่านก็จัดฟื้นฟูสองคืนแล้วก็เทศนาวันอาทิตย์ด้วยวันศุกร์ที่ผมขึ้นไปเทศนาวันนั้นนะครับนักศึกษาผมถวายเพลงผมขึ้นไปบนธรรมาทมไม่รู้ครับน้ําตาไหลมายดหนึ่งน้ำตาไหลไมายดหนึ่ ง, ลงแล้วผมก็เทศก็สนุกขอตาสไตล์ผมลีลาผมนะครับเทศอะไรก็คือพี่น้องก็ไม่รู้ว่าผมมีน้ําตาไหลผมรู้ผมรู้ พอผมลงมาเสร็จมีอาจารย์มหาวิทยาลัยมอชผู้หญิงท่านเดินมาหาผมสวัสดีครัอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ถามนิดนึงมีอะไรครับพี่เมื่อกี้อาจารย์ร้องให้ทําไมดันเห็นนี่ผู้ชายนี่ร้องให้ไม่ค่อยได้ให้ใครเห็นเลยแกดันเห็นเมออาจารย์เห็นเห็นอาจารย์เห็นจ้องตาอาจารย์อยู่จ้องได้ไงว่าตาผมบีแต่จะร้องทำไมอาจารย์ไหนๆอาจารย์ถามจะบอกให้ฟัง นี่เป็นครั้งที่สองที่ผมมาเชียงใหม่ยี่สิบเอ็ดปีที่แล้วเนี่ยคือครั้งที่สองที่ผมไปเชียงใหม่ผมบอกว่าครั้งแรกที่ผมไปเชียงใหม่ผมเป็นเซลแมนขายรถไถนาทะเลทองอุ้ยหัวคัวนถผมพาเจ้าหน้าที่ทกศ ส, สองรถตู้มาเที่ยวกันงคืนที่เชียงใหม่สามวันสามคืนเมาไม่รู้เรื่องเลยผมเป็นคนไก้นำเมาแบบ หัวหลาน้ำเลยเพื่อก็เมาทําอะไรบ้างไม่ต้องไปคุยรายละเอียดเยอะเมาแล้วกลับบ้านนี่เป็นครั้งที่สองที่ผมมาอาจารย์ครั้งแรกมาความบาปมั่นคงเลยแหละครั้งที่สองความลักมีความลักของพระเจ้าอย่ในชีวิตตอให้ดีใจขอบคุณพระเจ้า แล้วก็ตั้งบัณิทานว่าชีวิตต่อไปนี้ให้ทุกคนเห็นนายคนนี้ต้องมีความรักเหงพระเจ้าและไม่ใช่ผมคนเดียวต้องให้กับพี่น้องคิดเสียนทุกคนด้วยให้คนในสังคมบ่เห็นชีดเราเขาจะพูดว่าคนนี้มีความรักของใครของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาถ้าเขาไม่มีพระเจ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตานะความรักมันคงนี้ให้อยู่ในชีตเรามากๆดูชีดเราสิครับ ถ้าวันนี้ไม่มีความรักของพระเจ้าชีวิตเราจะเป็นยังไงวันนี้เป็นได้เพราะความรักสำแดงความรักมันคงของพระเจ้ามาวันนี้ผมหนุนใจท่านด้วยเพราะวัชระพระเจ้าสามอย่างความรักมันคงพระเจ้าดำรงเป็ น, นดิตวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ไปถึงแผ่นสวรรค์แต่ไม่ว่าจะวันนี้ไปถึงนั้นเราจะทาบกพร่องผิดาบาปอ่อนแอล้มลกอีก่ ค, ครั้งขอความรักมันคงพระเจ้ายังอยู่ของเรา 2. วันนี้นั่งที่นี่ก่อนไปถึงเบญสวรรค์เราอาจจะเจอมรสุมปัญหาที่เกิดกำลังแก้อย่าลืมวันนั้นขอความรักมั่นคงพระเจ้าทำไมเห็นอยู่ของเราคนในโลกนี้มืดแปดด้านแต่เรามีทางที่จำเอาไว้ I know the Lord will make a way for me when I look to Him and pray darkness c l o u d to turn a day I know the Lord will make a way ฟ <For> มาไว้ความรักบนขงอยู่เราอย่างที่สามตั้งแต่วันนี้จจเป็นถึงเป็นสวรรค์ให้ชีวิตของเราสำแดงความอะไรครับรักบนขงเจ้าให้ปรากฏออกมาขอพระเจ้าอวยพรพระคําพระเจ้าที่เราได้ยินในบ่ายนี้ให้เรามีเต็มไปด้วยความรักบนของพระเจ้าร่วมใจนิฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรอวยพระพรพระคำพระเจ้าที่เราได้ยินบ่านี้ขอให้พระคํานั้นฝังลึกอยู่ในชีวิตของเราทุกคนให้ชื่อตของเราต่อไปนี้ ไม่มีการถูกตัดขาดจากความรักมันค ข, ของพระ อ, องค์ซึ่งดำรงอยู่เป็นนิจขอให้ข้าพเจ้าทุกคนนั้นยึดมั่นในความรักของพระ อ, องค์ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าล้มลงบุกพล้องไม่ว่าเจอปัญหาและไม่ว่าอยู่สถ า, าในใดขอให้พระองค์สัมดงความรักมันของพระองค์ออกมาในสังคมแห่งความมืดนี้ขอพระคัมภีร์เจ้าไม่เพียงแต่เข้าใจแต่จะเข้าไปถึงในใจจนเกิดผลถวายกินองค์และเป็นพระพรอีกคนจำนวนมากด้วยกราบถุนังพระ อ, องค์เพื อ, อพระเจ้าขอบพระคุณทุนังครับร